ท่านผู้ฟังที่เคารพคะและแล้วเราก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีสองพันห้าสิบส่พระมาร์ชาคาวโรที่เพิ่งผ่านไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาท้ายของปีดิฉันเชื่อว่าชุลมุนชุลเกกันไปหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเตรียมตัวว่าจะส่งท้ายปีเก่าอย่างไรต้อนรับปีใหม่อย่างไรต้องดูแลให้ของขวัญใครต่อม่ใครอย่างไรบางที จะจากปีใหม่ไปอย่างมีความสุขก็เลยมามีความทุกข์ไอ้ตอนที่มันต้องชุลมุนทำในสิ่งที่เป็นประเพณีนี่แหละอย่างไรก็ตามการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราสบายใจได้มากขึ้นจะจริงแค่ไหนอย่างไรเราต้องไปคุยกับพระอาจารย์ไพบูลอภิพุโ น, โนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีกันเลยค่ะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดนะคะน้ัสการท่านคะอาจารย์พานออแหมท่านไพบูลคะดิฉันก็ขึ้นต้น ในเรื่องชุลมุนชุลเกช่วงปีใหม่ น, น, นะคะ uh huh. แต่ว่าพอมาเจอจดหมายที่เขียนไปถึงท่านพบูลที่เพยวธมาศดทคอมสแลชหนึ uh ่งศูนย์หคุณเพนพรเนี่ยงก็ไม่สบายใจนิดหน่อยนะคะเนี่ยแล้วก็คงจะต้องเคาะเคะไปที่ทางเทคนิคของสถานีวิทยุ FM106 รอยหนี้ด้วยว่าเขาพูดมาเกี่ยวกับเรื่องการรับฟังของสถานีเสียดายค่ะคุณเพนพรได้บอกท่านอาจารย์ต่างหากไหมคะว่า เธอรับฟังอยู่ที่ไหนคะอ๋อไม่ได้ไม่ได้บอกเหมือนกันนะมีข้อความที่เกียนมาเท่านี้ค่ะคือจดหมายมีดังนี้ใช่เขียนตอนตีหนึ่งครึ่งเลยนะคะเนี่ย <_ EN> ว่าฟังธรรมเกือบทุกวันแต่ตอนนี้ต้องขออภัยเลยไม่ได้ฟังจากคลื่นนี้เพราะ <_ EN> วิทยุชุมชนแทรกมากแล้วก็ไปฟังที่ท่าอาจารย์จัดที่วิทยุประเทศไทย <_ EN> ก็เลยบอกว่าดีใจเป็นความโชคดีที่สุด <_ EN> มีคําถามอยู่บ่อยมากแต่ทุกครั้ง ก็จะเป็นคำถามของคนอื่นแันนี้ก็เลยมีคำถามของตัวเองอันนี้เผื่อว่าไม่ได้ฟังที่นี่ก็ให้คนอื่นที่ฟังที่นี่แล้วมีความรู้สึกดีใจที่ได้คำตอบนี้อนุโมทนาแก่โยมไปก็แล้วกันนะคะว่าสงสัยว่าที่ท่านเพียบูนให้จิตอยู่ที่กายตลอดเวลานะเช่นเวลาขับรถหรือกวาดบ้านการให้ระลึกรู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาหรือระลึกรู้อยู่ว่าตอนนี้ขับรถตอนนี้กวาดบ้าน คือจิตอธิษฐานการงานที่ท่านว่าน่ยขอความเมตตาอีกครั้งนะคะโยไม่เข้าใจจริงจริงความแตกต่างมันจะมีกันอยู่อย่างนี้อย่างเช่นคือทั้งหมดเนี่ยเป็นกายในาการตามเห็นกายในกายเนี่ยพระบุทชาพูดถึงการมามีสติอยู่ในอิริบ ท, ที่เราทํางานก็ได้อันนี้อันที่หนึ่งหรืออันที่สองในลมหายใจก็ได้แต่เพราะฉะนั้นในขณะที่เรากําลังทํางานบ้านอยู่เราอาจจะเลือกที่จะรู้อิริบที่อันี้กรณีที่1 หรือว่าคุณจะมีทางเลือกที่สองคือคุณก็ไม่ต้องรู้อรไอเดียบทก็ได้รู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวนะนี่คืออันที่2ถามว่ามันต่างกันยังไงมันเหมือนกับลมหายใจคุณยมติ๋วบางคนที่เขาไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนะพอบอกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขาก็จะตามลมหายใจนะตามลมเข้าตามลมออกก็ไม่ถูกปรมาจารย์ให้รู้อยู่ที่เดียวใช่ไหมคือที่จุดเดียวที่ลมหายใจคือทางด้านหน้าเช่นเดียวกันเวลาเราทํากิจเนี่ย กวาดบ้านถู บ, บ้านทำงานเขียนจดหมายพวกนี้เราจะเอาจิตของเราเนี่ยไปไว้ที่สิ่งสิ่งนั้นไม่ในนี้ก็ไม่ถูก ค, คือหมายความว่าเราไม่ได้เอาไว้ที่มือที่มันกำลังเคลื่อนไปซ้ายขวาไม่ได้เอาไว้ที่ขาที่มันกำลังก้าวไปข้างหน้าข้างหลังแต่เอาไว้ที่ความรู้ในอิริบทก็ใช่ไหมความรู้ในอิริบทเนี่ยมีอยู่จุดเดียวนะคือจุดที่ร่างกายเราเคลื่อนที่ไปไม่ได้ว่าไปตามท้าไม่ได้ว่าไปตามมือ เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งจิตไปที่ที่เดียวเนี่ยก็คุณจะรู้เอรีบทก็ได้หรือคุณจะรู้ลมหายใจก็ได้แต่อย่าไปตามเอรีบทอย่าไปตามลมหายใจ mm hmm. แสดงว่าอย่างคุณเป็นพรเนี่ยพอมาทํากิจใช่ไหะนั่งสมาธิกู้ขาเข้ามาได้รอบเนี่ยนั่งสมาธิตามลมหายใจ mm hmm. ก็ไม่ได้ตามลมหายใจนะคือสังเกตลมหายใจเนี่ยทําได้แต่พอไปกวาดบ้านถูบ้านเราไปตามกิริยาตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เราทําไม่ได้อ่า ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องรู้อยู่ที่จุดเดียวแม้ขณนะที่เราทํางานจุดนั้นคือจุดของเรียบทคือในกายเราอะน ะ, ะท่านระบุจุดปไปเลยได้ไหมคะสมมุติอย่างเนี้ยที่ท่านพูดถึงการกวาดบ้านนะคะที่ว่าจุดเดียวค่ะเพระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงความดํารงสติเฉพาะหน้าเหมือนกันนะในที่นี้อาจจะเป็นจุดที่อยู่ในกายสักที่ใดที่หนึ่งที่เป็นจุดเดียวที่เราพอจะรู้ได้ อาจจะพูดถึงที่ตรงจมูกก็ไดต้ตรงที่เดียวกับที่เรารู้ลมหายใจก็ได้ท่านขอประทานโทษนะคะดิฉันเห็นพระตามวัดป่าหรือวัดที่เป็นวัดแบบป่าอาจจะอยู่ใกล้เมืองหน่อยอพระภิกษุเนี่ยจะกวาดพื้นอยู่เรื่อยนะคะแล้วก็ทราบว่าบางวัดเนี่ยใช้เรื่องการกวาด เ, เป็นส่วนหนึ่งงการปฏิบัติด้วย ก็น่าที่จะเป็นในลักษณะเดียวที่คุณพิมพรถามมาท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็สังเกตลมหายใจอยู่ตลอดอ๋อเนี่ยค่ะที่ฉันก็เลยจะกลับเรียนถามเที่ว่าขอพระท่านโทษนะคยก็ท่านเป็นบูญเนี่ยเคยกวาดอย่างนั้นไหมแล้วเวลาท่านกวาดเนี่ยท่านจิตนําจิตของท่านไปรู้ อ, อยู่ตรงไหนอ่ยค่ะเออมาก็ทําอยู่เป็นประจำแล้วก็ต้องไว้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมอ๋อคือสรุปแล้วไว้ที่ลมหายใจก็ได้แต่ถ้า ไว้ที่ร่างกายซึ่งกําลังดําเนินอิริยาบถจะต้องอยู่ที่จุดเดียวเท่านั้นจุดเดียวถูกต้องมันกําหนดยากเหมือนกันนะคะท่านพูดถึงว่าคือจุดนี้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นจุดเล็กๆขนาดไม่กี่ตรามิลลิเมตรไม่ใช่นะอาจจะเป็นจุดใหญ่ๆสมมุตินะคะอย่างการที่ฉันกวาดบ้านเนี่ยดิฉันอาจจะกวาดไม่ได้ใช้ไม่กวาดด้านยาวแบบที่วัดป่ากวาดกันพบ้านเราเป็นบ้านธรรมดาก็ใช้ไม่กวาดดอกหญ้านะคะอืเหมือนไม่กวาดอุตราดิต์น่ยเขาเรียกไม่กวาดอะไรล่ะ อ้ที่ ม, มันแบนๆบานๆนะค่ะ <c oughs> แล้วก็ดิฉันกำหนดจิตอย่างที่ท่านว่าเนี่ยรู้กําหนดรู้นะคะอืออรู้อยู่ที่มือที่จับอืแล้วก็ไปตามมือที่จับนั่นเองคะหมายถึงว่ามือมือมันแขวงถูกไหมคะคยังไงมันก็ต้องไปอยู่แล้วอ่อันนี้ประสบการณ์อาตมานะประสบการณ์อาตมาอาตาจะยกตัวอย่างทางผูโยมติวอย่างนี้สมมติมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินมา ตาตตตตตตมานี่ถามว่าคุณยมติวมองเห็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคุณยมติวมองส่วนไหนจริงๆตรงไหนของมันตรงล้อตรงปีกตรงประตูตรงคนขับตรงกระจกตรงประตูซ้ายประตูขวาตรงไหนกันแน่มันบอกไม่ได้นะเพราะมันอยู่ไกลไม่ใช่ไหมอ่ามันก็ดูภาพรวมมาอ๋ออันนี้คือเฮลิคอปเตอร์จบเช่นเดียวกันคุณอยู่ในอิริบทเนี่ยคือคุณก็ดูภาพรวมอันนี่คือกายจบ แต่ขอจุดเดียวดิฉันยังเข้าใจอย่างนี้นะคะท่านค ะ, <c oughs> ะคือเข้าใจว่าเราไม่ไปรู้อย่างอื่นเรารู้แต่ว่าขนาดนี้กําลังกวาดบ้านอันนี้นอาจจะพูดรวมเกินไปนะคะแต่ว่าดิฉันเข้าใจว่าหรือมันต้องเป็นแบบเนี้ว่าเราถ้าความคิดเรื่องอื่นเข้ามาเราไม่เอาอฉันจะกวาดบ้านออันนี้อาจมาจะยกตัวอย่างกลับมาเปรียบเทียบกับลมหายใจค่ะนั้นลมหายใจเนี่ยถ้าถามว่ารู้ลมหายใจคุณรู้ตรงไหนเออ คนก็จะตอบอันั้นตามลมเข้าตามลมหลอดไปรู้กระบังลมรู้ที่ท้องหรือว่ารู้ที่ลมข้างนอกออกนอกตัวไปแล้วไม่ใช่เลยคือคุณรู้อยู่ที่จุดเดียวคือเฉพาะหน้าแล้วถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันตรงไหนกันแน่อากี่ตารางมิลลิเมตรทำมุมกี่องศากับดั้งจมูกหรือว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาแล้วรูเดียวได้ไหมสองรูได้ไหมไอ้พวกนี้ไม่จําเป็นเลยคือคุณรู้ตรงไหนคุณเอาตรงนั้นจุดเดียว <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> อาจมาเจอปัญหาอย่างนี้ส <c oughs> มมติเวลาเราเดินจมกลงแล้วเอาเอาจิตของเราไว้ที่เท้าอย่างเงี้ยเราเอาจิตตามเท้าเราเลยนะ ซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาจิตมันสงบไปแล้เราคว่ําเลยอาตมาคว่ําเลยนะเราเดินสะดุดเท้าตัวเองเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราทําไม่ถูกเราทำใหม่เราเอาจิตของเรานะขณะที่เดินจงกรมเราไม่สังเกตาาลมหายใจล่ะเราเอาจิตของเราไว้ที่การเดินไม่ใช่ไว้ที่เท้าเข้าใจไหมไว้ที่การเดินมันมีจุดเดียวไม่รู้คุณต้องไปหาอย่างคุณดูเฮลิคอปเตอร์มันมีจุดเดีย ว, ว, ค, ย ค, ดดยว ค, คือกลมๆใหญ่หญๆสักก้อนหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้จุดเดียวนิ่งอยู่ ค่ ะ, ะเพราะว่าถ้าจะว่าไปนะคะท่านคาร์ดิฉันก็เคยได้ยินเรื่องของเคยมีประสบการณ์ในการศึกษาเนะะี่ยค่ะว่าในการปฏิบัติเนี่ยจิตเนี่ยจะไว้ที่ตำแหน่งต่างๆรวมไปถึงเฉพาะหน้าด้วยนะใช่ไหมคะทีนี้เหมือนกับว่าบางทีสมมุติไว้ตรงหน้าผากเนี้ยค่ะท่านค่ะแต่ว่าเป็นการเดินกรงตรง อย่างนี้ดีไหมอย่างเช่นสมมติใครฟังดนตรีมาก่อน ค, คนที่ฟังดนตรีเวลาคุณฟังดนตรีสักวงโปรดของคุณเล่นจะเป็นดนตรีคลาสสิกได้วเป็นดนตรีที่เขาเล่นเป็นวงก็ได้น ะ, ค, ะคุณฟังแล้วก็เอไอไพเราะดีฟังโดยรวมทั้งหมดในทีนี้เราต้องการฟังแยกชิ้นว่าเฮียเปียโนเขาเล่นอะไรบเบสก็เล่นอะไรวาลินก็เล่นอะไรเราฟังก็แยกชิ้นได้คือจิตของเราเข้าไปจับตรงนั้นได้จิตของเราฟังโดยรวมก็ได้ คุณโยนผิวหนึ่งหรือไม่ว่าเวลาที่เราโฟกัสเข้าไปเฉพาะวาลินเนี่ยคือคนคุณจี้เข้าไปเฉพาะที่ขาข้างหนึ่งและคุณเดินต า, ามเข้าไปแต่เราไม่เอาอย่างนั้นเราดูเป็นวงดูทั้งวงดูทั้งวงรวมว่าเออนี่คือการเดินจบจุดเดียวค่ะท่านก็นเลยกำลัจะพูดว่าในที่นี้เนี่ยหมายความว่าดูแบบองค์รวมจุดเดียวใช่มีสมาธิอยู่กับการกวาด มีสมาธิอยู่กับการเดินคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าใจง่ายนะค ะ, ะ, ะ, ะเพราะว่าเหมือนกับการกวาดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าจะต้องชักไม่กวาดเข้ามากดลงไปที่พื้นแล้วปัดขี้ฝุ่นออกไป อ, อ, อย่างนี้รวมเป็นการเดินถูกต้อ ง, ก, องก็น่าจะทําให้เอกรวมการกวาดน่าจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ใช่แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเดี๋ยวฉันก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าคงจะต้องใช้เวลา ในการที่จะทำให้เราเข้าใจอ่ะเหมือนกับการจะทำความเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีมันอาศัยเวลาเพื่อที่เราจะเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็เกิดการรู้ด้วยตัวของเราเองคือจากประสบการณ์ใช่ใช่ใช่นะคะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆฝึกไปและเข้าใจว่าคำถามคุณพิมพรเนี่ยจะโดนใจคนอื่นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจยากจริงๆแล้วมัดกะสงสัยกันแบบนี้ ถ้าอาตมาไม่ได้ถูกถามคําถามนี้นะอาตมาก็จะนึกไม่ออกว่าเราทําจิตยังไงเหมือนกันนะนะจนกระทั่งถูกถามแล้วก็อ๋อตรงนี้มันมีความแตกต่างอยู่ตอนแรกๆเนี่ยอาตมาก็ตามลมเลยเข้าออกไปถึงก็บังลมถึงท้องเอ๊ะทาไมเราปวดหัวมึนไปหมดเลยอ้าวมันทําไม่ถูกมาอ่านบทเพลงชนะพุทธเจ้าบอกว่าให้ดํารงสติเฉพาะหน้าแค่นั้นเองมันคือจุดเดียวนะดํารงสติเฉพาะหน้าคํานี้น่าสนใจมากนะคะยันเองตอนที่ได้ยินว่า อาจิตคืออยู่เฉพาะหน้าเนี่ยก็ว่เอ๊ะมันตรงไหนอ่ะข้างหน้าแลย้ยมันเต็มไปหมดเลยนะคะท่าใช่ใช่ค่ะในที่นี้หากท่านศึกษาพุทธวจะนะมาเยอะๆแล้วเนี่ยจะให้คําให้นิยาม<อ>คําว่าเฉพาะหน้าอย่างไรบาลีนะบาลีเขาแปลว่าบาลอมาจากคําว่าปริมุขขังปะริมุขขังมุขเนี่ยมอมาสลูขอไข่เนี่ยแปลว่าทางเข้าทางออก หรือว่าทางมุกอยสมมุตินะต่างบ้านเรือนใช่ไหมมันจะมีมุกที่ไว้สำหรับคนจะเข้าคนจะออกตรงเนี้ <Okay. S 1> ตรงนี้แหละคือถ้าเป็นลมหายใจก็คือมุกของทางเข้าออกลมหายใจในที่นี้ก็คือชุดไหนก็ได้ที่เรารับรู้ถึงลมหายใจได้ค <Okay. S 1> ่ะแต่ถ้าเป็นการเดินการทำาอริบดก็มุกของการเดินแล้วคุณเดินมั น, มนตรงไหนละ่ะเราก็เอาตรงนั้น mm. อ่ะซึ่งซึ่งมันอาจจะ เป็นจุดจดหนึ่งที่เราบอกไม่ได้นะเดี๋ยวเราเอาจิตเราไปตรงนั้นค่ ะ, ะก็คื อ, อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคําอธิบายอยู่ในพุทธศานะแล้วใช่นะคะ<ช>แต่ว่าต้องมาหาความพอดีด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละถูกต้องสรุปแล้วนะคะคุณพิมพรยังไงหรือว่าถ้าคุณพิมพรไม่ได้ฟังที่นี่ท่านอื่นฟังแล้วมีความสงสัยอย่างไรก็แจ้งมาได้ที่เพียวธรรมะดอทคอมหนึ่งศูนย์หกหรือว่าที่เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอที่ท่านกําลังฟังกันอยู่ในขณะนี้ก็ได้อีกประเด็นหนึ่งนิดหนึ่งคุณยมติวตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยคนขับรถเนี่ยนะคุณขับรถอยู่แล้วคุณมีสติอยู่ที่เราหมาย ใ, ใจนะคุณไม่ได้มีสติอยู่กับการการขับรถนะบางทีขับเลยบ้านตัวเองก็มีแต่ถ้าคุณดํารงสติไว้กับการขับรถเนี่ยคุณจะไม่ขับเลยบ้านตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถเลยบ้านตัวเองเนี่ยเราจะไปกล่าวหาว่าเขาไม่มีสติก็ไม่ได้นะ บางทีเขามีสติอยู่กับเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องลมหายใจอย่างเดียวเลยจนกระทั่งเขาลืมเรื่องการขับรถไปก็เป็นได้ค่ะต้องหาความพอดีอีกเหมือนกันว่าอย่างไรดีที่สุดจะมีสติกับการขับรถให้ปลอดภัยด้วยในดีที่สุดนะคะดิฉันเขา้าใจว่าอย่างนั้นท่านคะทีนี้เวลาใกล้จะหมดก็ยังมีสิ่งที่เราตั้งใจมอบให้ในช่วงก่อนถึงปีใหม่มเป็นพุทธวัจะนะที่น่าจะมอบให้เป็นของ ข, องขวัญแก่กันคะ่ะในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการทํา ที่สุดแห่งทุกได้นะปุโรชาพูดถึงว่าเธอที่ละอวิชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันโดยแท้อันนี้คือหมายความว่าที่ยกตัวอย่างคำนี้ขึ้นมาเนี่ยพอต้องการอวยพรความสุขที่เป็นปัจจุบันไงก็เลยเอาความทำที่สุดแห่งทุกได้ก็คือมีความสุขขึ้นมาค่ะต้องละอวิชาใช่ ละอวิชาได้ก็แปลว่าจะไม่ทุกข์ถูกต้องแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งก็คือละอวิชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเธอจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้โดยแท้เธอที่ละอวิชาขึ้นแล้วได้แล้วได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วใช่แล้วยังไงนะคะจะเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ จะเป็นผู้ทา ท, ที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันโดยแท้ในปัจจุบันโดยแท้นะคะก็ไม่ต้องอธิบายเลยสมบูรณ์อยู่ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าวิธีละอวิชาถ้าท่านยังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะมีความรู้ในเรื่องของการละอวิชาเลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ถึกต้างถึกต่างนะคะวันนี้คง ได้เวลาที่จะต้องลาท<ช>่านเพบูรณแล้วนะคะก็นมาส ก, การขอบพระคุณท่านเปียบบูรณ์เป็นอย่างยิ่งท่านเปียบบูรณอยู่ที่วัดป่าดอนไหส่งจังัดรณธา น, า น, นีคะท่านฟังที่พระ ค, ค่ะแล้วก็ท่านก็มุ่งมั่นในการที่จะเผยแผ่ธรรมะตอนนี้ก็มีรายการที่จะให้พวกเราฟังนอกเหนือจากที่นี่เวลาเดียวกันนี้ก็มีอยู่ที่วิทยุประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยังมีโอกาสให้ท่านทั้งหลายเนี่ยที่จะเข้าถึงการที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ตรสอนอะไรไว้บ้างเป็นคําสอนที่ถ้าเราท่องได้ถูกต้องจะเป็นความรู้ที่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะพาไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเวลาท่านตรัสนั้นท่านจะตรัส ด, ด้วยความด้วยการมีสตินะคะเป็นพิเศษด้วยมีสมาธิอะคา่ะแล้วก็ท่านสามารถศึกษาท่านคาเหล่านี้ได้จากหนังสือพุทธวจนะที่ได้รับการรวบรวมเอาไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ โดยคณะผู้ศรัทธาของพระอาจารย์คริสโสธิพโลท่านจะอาวาสวัดนาป่าพง์ลำลูกาคลองสิซึ่งที่นั่นก็จะมีการสนทนาธรรมข้ามวันเสาร์ทุกวันเสารเว้นว่างมาในช่วงน้ำท่วมจะกลับไปสนทนากันใหม่วันที่31ติดตามกันนะคะวันนี้เราคงลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับรายการสัมสีน์สนทนาดิ่ชันสัมสนีนาคพงขอเชิญท่านมาพบกับเราพรุ่งนี้ตีห้าที่นี่เช่นเคยพุทธวสตรีค่ะ